ถ้าไปหลวงพ่อผมไม่จําเป็นต้องเทศเยอะวเราฟังซีดีได้เทศไว้ทุกวันทุกวันเยอะแยะไปหมดนะความจริงสิ่งที่เทศนึ่งวันเดียวหรือฟังซีดีสักแผ่นเดียวนะก็พอละให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปนก็คือปฏิบัติทําให้สมควรกับทำทําหย่อมๆใหญ่ๆไม่ได้กินหรอก ธรรมะไม่ใช่ของเล่นๆนนะธรรมะเป็นของจริงคนจริงก็ได้ของจริงคนทําเล่นๆก็ได้ของเล่นๆไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าท่านยินดันอย่างนี้ธรรมของท่านไม่เนิ่นช้าแต่ผู้ปฏิบัติเลยมักจะเนิ่นช้าเราก็บากคนนี่มานั่งนับเวลาเคยอ่านมหาสติปัฏฐาน ท่านบอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเคยได้ยินได้ยินบ่อยๆเราเอาตัวเลขให้มีกำลังใจเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ไม่มีสติมไม่ได้ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำยังไงมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่นับตัวเลขเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันนับชั่วโ ม, มงบินของการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ทำเล่น ทำบ้างไม่ทำบ้างเขาบอกทำอะไรปีไม่ได้ผลธรรมะของพระพุทธเจ้างดงามในเบื้องต้นในถ้มกลางในที่สุดเป็นธรรมะที่ให้ผลเร็ววิญญาชนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยถ้าเราปฏิบัติทําให้สมควรก็ทำต้องได้ผลปฏิบัติไม่สมควรก็ไม่ได้ผลถึงธรรมะดีเหมือนมีตํารายาอย่างดีเลย ไม่เคยไปปรุงยามากินเลยก็รักษาโรคไม่ได้อย่าบอกว่าตำรา ย, ยาไม่ดีพูดไม่ได้หรอกตัวเองไม่ดีเองเราลองมาสำรวจตัวเราเองดูบางคนบอกภาวนาหลายปีลองสำรวจว่าเราได้เดินสะทางอยู่ในเส้นทางที่มันไม่เนิ่นช้าไหมเรามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เนิ่นช้ามีหรือเปล่า อันแรกเลยเราเป็นพวกมักน้อยหรือเป็นพวกมกักมากบริโภคไม่รู้จักพอไหมมักน้อยก็จำเป็นโดยเฉพาะกับพระกับนักบวชมักน้อยหมายถึงว่ามีชีวิตอยู่ในระดับที่เรียกว่าเบสิคมินิมัมนิดพอคำว่าพอไม่ใช่อวดโรดอยากๆเรียกว่ามักน้อยแค่นี้พอละ ถ้าไม่รู้จักพอใจก็เราร้อนดิ้นรนไปด้วยแสวงหาไม่รู้จักจบมีเงินเท่านี้ยังไม่พอมีร้อยล้านไม่พอน้อยไปต้องมีพันล้านมีพันล้านก็ไม่พ อ, อคนสะสมสมบัติเอาไว้เยอะแยะเลยไม่รู้จะไปใช้ชาติไหนชาตินี้ไม่ได้ใช้มันไม่รู้จักคาว่าพอมากน้อยนะอย่างหนึ่งนะมากน้อยถึงแปลว่าถือมีเยอะก็ใช้เท่าที่จาเป็น มีคำหนึ่งสันโดษสันโดษเนี่ยคารวะ ต, ต้องมีนะทั้งพระทราาั้งคารวะต้องมีไม่ใช่มากน้อยเป็นของพระสันโดษเป็นของคารวะพระไม่ต้องสันโดษไม่ใช่สันโดษเนี่ยหมายถึงว่ายินดีตามมีตามได้ในผลของมันทําเหตุให้เต็มที่นะอย่างเป็นค า, วารวะทำมาหากินให้เต็มที่ก็ยินดีได้เท่านี้แหละตั้งเป้าไว้ว่าจะทำกําไรร้อยล้าน ได้มาพันล้านก็ยินดีไม่ใช่ต้องทำให้ได้ร้อยล้านไม่จำเป็นงินมักน้อยสันโดษนะสันโดษกระทั่งคารวะยังต้องมีพระก็ต้องมีไม่ใช่ไม่มีถ้าเราไม่มีคำมักน้อยคือไม่รู้จักพอไม่รู้จักสันโดษไม่รู้จักอิ่มอกอิ่มใจในผลงานของเราเองใจก็มีแต่ความเลวร้อนอยู่ไม่เลิกทุรนทุรายไม่เลิก มีความคลุกคลีไหมข้อสามข้อแรกมักน้อยมักน้อยปรารถนาน้อยหมายถึงอยู่ด้วยเบสิกมีนิมั่มนิดนะสันโดษหมายถึงว่าทาให้เต็มที่ได้ผลแค่ไหนพอใจแค่นั้นเช่นเราภาวนาของเราเต็มที่แล้วล่ะได้แค่นี้แหละยังไม่ได้โสดาสักทีแต่ได้ภาวนาเต็มที่แล้วก็พอใจแล้วพอใจที่ได้ทําเหตุ ทำเหตุให้เต็มฝีมือเขาพอใจผลเท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละมันก็พอดีกับเหตุที่เราทำได้จริงๆไม่ใช่เดินจงกรมอยู่สามวันอยากจะได้พระอนาคาอะไรก็ไม่ได้เรื่องตัวที่สามคือไม่คลุกคลีชอบคลุกคลีไหมวกเข้าวัดบางทีชอบคลุกคลีนะเฮ่เฮาฮรวมกลุ่มกันบางทีเข้าวัดนี้ต่อไปวัดโน้นเช้าไปที่นี่ กางวันไปที่โน่นเย็นเย็นค่ำค่ำไปอีกทิ้งตะเวนไปเฮฮาฮาไปรวมกลุ่มกันนะคุยกันสนุกสนานแต่เวลาที่ไหนภาวนาคลุกคลีคลุกคลีนะี่หลวงพ่อไม่เอาเลยแต่ไหนแต่ไร ต, ตั้งแต่เป็นโยมนะเป็นโยมหลวงพ่อก็มากน้อยนะสันโดษไม่เคยเป็นหนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นหนี้ ไม่ครุกคลีมีหน้าที่การงานติดต่อด้วยก็ติดต่อกระทั่งไปหาครูบาจาจารย์ไปเรียนธรรมะจากครูบาจารย์พอเรียนแล้วเข้าใจแล้วนะก็ลาท่านลนะไม่ไปนั่งครุกคลีอยู่กท่านนั่งชมบารมีเพลื่มใจทั้งวันม่อแต่เพลื่มใจกิเลสไม่ได้ล้างสักทีเสียเวลาเนีย่ยหลวงพ่อวเวลาไปหาครูบาจารยนะ์สมัยก่อนชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ย คุยกับท่านจบธุระหมดแล้วแล้วก็ไปแล้วบางครั้งไม่ถึงชั่วโมงโยกเว้นคราวเดียวนะที่นานที่สุดเลยกราบลงปู ด, ดุลครั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพสามสิบหกวันนะ้ปลายปลายกันยาเข้าไปหาท่านตอนบ่ายนะกะว่าเดี๋ยวสักห้าโมงเย็นเลยก็จะลาท่านท่านไม่ท่านพูดไม่หยุดเลยท่านเทศตลอดจนดึกค่าๆไม่ดึกมากค่ำสองสามทุ่ม มีครั้งเดียวหลกปู่ท่านคล้ายๆสอนทิ้งทวนเลยแล้วท่านไม่ได้สอนอีกแล้วดางนั้นใช้เวลานิดเดียวยิ่งหลังๆนะเวลาไปเยี่ยมพระไปเยี่ยมครูบาอาจารย์บางทีห้านาะทีสิบนาทีกลับแล้วไม่เอาล้ะไปกลาบให้รู้จักบางทีบางองค์ท่านอยากรู้จักเราลูกศิษย์ท่านบอกว่าอยากรู้จักเราว่างๆเราไปกลาบอะไรเงี้ย หนาทีสิบนาทีก็กลับเสียเวลาการคลุกคลีนี่เป็นตัวล้างผลานเวลาที่รายกาศมากเลยแล้วก็ทําให้ฟุ้งซ่าน ง, ง่ายนี่ทําไมท่านบอกให้ครบกัลยาณมิตรครบกัลยาณมิตรไม่ได้คบแบบคลุกคลีครบกัลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนกันให้กําลังใจกันภาวนาไม่คลุกคลีกันพากันเล่นกนองไปเรื่อยๆบุคคนระลึกชาตนะิรวมกลุ่มกันไประลึกชาติก็มีนะ รวมกลุมกันไปทำอะไรพิลึกพิลึกคลุกคลีกันสนุกมากเลยจับพลังจับพลังทำไมไม่จับกิเลสจับแต่พลังไร้สาระคลุกคลีกันอย่างนี้แหละชอบอย่างนี้แหละมันคลุกคลีตามกิเลสข้อที่หนึ่งนะมักน้อยข้อที่สองสันโดษข้อที่สามไม่คลุกคลีข้อที่สี่ปลารคความเพียรคิดถึงการภาวนาบ่อยไหมวันวัน เผลอทั้งวันเผลอทั้งวันนี่ไม่เรียกว่าปลาร์ดความเพียรหลงต้อคิดถึงการปฏิบัติเนืองๆ ง, งานของเรายังไม่จบต้องทําบางคนมีนิสัยแนละ้วว่าถ้างานไม่เสร็จไม่เลิกอย่างหลวงพ่อมีนิสัยงานไม่เสร็จไม่ยอมไม่ปล่อยอ่ะแต่ถ้าเหนื่อยเราหยุดมีเบรกแต่ไม่เลิกถ้าไม่ปลาร์ดความเพียรแล้วามันนั่งนับว่าทําความเพียรมาเท่านี้ปีเท่านี้ปี ไม่ได้กินหรอกถึงเวลาต้องปฏิบัติในรูปแบบห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีเสรเราไม่มีเวลาเยอะไปนั่งสมาธิตอนกลางคืนก็นั่งหลับสู้ไม่ไหวนั่งตั้งสมชั่วโมงผมยิงหลับไปสองชั่วโมงกับห้าสิบนาที <c oughs> <c oughs> หมดแรงแนละ้วกลางคืนหลวงพ่อเก็บเล็กเก็บน้อยนะกลางวันกินข้าวแล้วก็เดินโจงกลม อยู่ที่ทำงานนี่แหละก่อนหัวหน้าเขายังงงเลยหลวงพ่อทำไมดูประหลาดกินข้าวกางวันเสร็จนะั้นเดินไปวัดโสมบ้างเดินไปวัดเบญจามบ้างเดินไปแล้วก็เดินกลับจริงเราเดินจงกรมเราปฏิบัตนะิตื่นเช้าก็ตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยภาวนา น, นิดหน่อยกลางคืนตื่นขึ้นมาไหร่ก็ภาวนานเมื่อ น, นั้นทำเป็นช่วงๆไปเลยเก็บไปเลย ก็มีกำลังขึ้นมาคิดถึงการปฏิบัติคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์หมดจดท่านสอนเราให้ภาคเพียรปฏิบัติเราก็ทำตามท่านสอนนึกถึงท่านอิ่มงอิ่มใจภาคเพียรภาวนาเนี่ยเราต้องดูนะว่าเราปฏิบัติทำแค่ไหนสมควรแค่ไหน มากน้อยไหมสันโดษไหมคลุกคลีไหมปาลารบความเพียรหรือเปล่าหรือไม่ได้ปาลารบความเพียรเลยถัดจากนั้นจเจริญสติ ม, มีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไม่ปล่อยจิตใจหนีไปทั้งวันทั้งวันหลงทั้งวันแล้วบอกว่าภาวนามาสิบปีรวมชั่วโมงที่ภาวนา น, นิดเดียวเองเอาเวลาไปหลงนั่นแหละ พยายามรู้สึกตัวให้เยอะให้บ่อยๆนะรู้สึกตัวเนืองๆคอยะระลึกถึงกายคอยะระลึกถึงใจของตัวเองเรื่อยๆมั ว, วมแต่ลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดปัญญานั้นเป็นความรู้ความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะรู้ความจริงได้เราก็ต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจเรื่อยๆ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี่จเจริญสติไปแล้วก็สิ่งที่ต้องทําอีกอันคือฝึกจิตให้ตั้งมั่นฝึกสมาธิฝึกสมาธิไม่ให้ฝึกเข้มาชานันะฝึกให้จิตตั้งมั่นจะตั้งมั่นถึงระดับชันก็ไม่เป็นไรยิ่งดีแต่ไม่ได้มุ่งเอาความสงบเป็นที่ตั้ง สมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งมุ่งไปหาความสงบเอาความสุขความสงบความสบายนั้นสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพะพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธหรอกท่านก็เอามาใช้เป็นที่พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาไม่ได้แปลว่าสงบแต่เป็นความตั้งมั่นของจิตจิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตเราแ่งตลอดเวลาหลงไปทางตาหลงไปทางหู ลงไปทางจมูกทางลิ้น ท, ท, ท, ทางกายทางใจจิตสายออกไปตลอดเลยจิตฟุ้งซ่านตลอดเวลาจิตตั้งมั่นก็ไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่จิตฟุ้งซ่านก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปนะี่เราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นอี่ยวเราจะฝึกสติเราก็ต้องรู้วิธีฝึกนะเราจะฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นก็ต้องรู้วิธีฝึกจะฝึกสมาธิให้จิตสงบก็ต้องรู้วิธีฝึก ต้องทำเหตุกับผลให้ตรงกันอย่างถ้าเราจะฝึกสติสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นแั่เราต้องคอยะระลึกรู้สภาวะบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้รบ่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเรียกว่าทิราสัญญาอาที่จิตจำสภาวะแม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติอะไรทำให้มีสมาธิขึ้นมาความสุขทาให้มีสมาธิ เราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ที่ไม่ย่อจิเลตแล้วใช้จิตอยู่ที่อารมณ์อนะันั้นคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุโทโธคนไหนหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจอย่างเราพุโทโธไปเราหายใจไปนะจิตแยกไปเป็นสมาธิได้สองแบบถ้าเราเพ่งเล็งไปที่ตัวอารมณ์นะจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้จะได้จิตสงบได้สมถะถ้าเราเพ่งเล็งอยู่ที่ตัวจิต เราทํากรรมฐานอันนึงนะแต่เราเพ่งเร็งอยู่ที่ตัวจิตเช่นพุทโธเรารู้ทันจิตหายใจเรารู้ทันจิตดูท้องผ่องยุบเรารู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลือกอารมณ์นะวิธีฝึกสมาธิไม่ว่าจะสมาธิสงบหรือสมาธิตั้งมั่นรู้จากเลือกอารมณ์ คนไหนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธค um, นไหนหายใจมีความสุขก็อยู่ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็อยู่กับท้องพองยุบไม่เห็นต้องทะเลาะกันว่าสายไหนดีสายไหนไม่ดีอะไรก็ได้จริตคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วจิตสงบอยู่กับพุทโธก็เป็นสมถะหายใจแล้วจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจก็เป็นสมถะดูท้องพองยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะเดินจ <Stan. S 2> งกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้านิ่งไม่หนีไปไหนเลย ก็เป็นสมถะได้สมาธิชนิดสงบเอาอารมณ์เป็นหลักแต่ถ้าเอาอารมณ์เป็นแป๊กกลาวเอาจิตเป็นหลักเราจะได้ความตั้งมั่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไปเพ่งความนิ่งความว่างอยู่รู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ตั้งมั่นสบายอยู่รู้ตัวอยู่บางทีถึงอัปปนาสมาธิไม่ใช่ไม่เข้าฌานนะถ้าอัปปนาสมาธิได้ด้วยซ้ํำไปโลกธาตุดับร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวยังไม่ขาดสติเลยรู้ตัวอยู่เนี่ยจิตที่ตั้งมั่นแต่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วนะแล้วก็มาใช้จิตที่ตั้งมั่นเจริญปัญญาเนี่ยเส้นทางของความไม่เนิ่นช้านะ มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปลาลบความเพียรมีสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในขณะที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจจิตมันแยกออกมาเห็นร่างกายทำงานไปจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูเห็นกุศลอนะกุศลไหลมาไหลไปจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดู ต้องฝึกให้มีจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่มีสติจะไม่มีปัญญานั่สติกับสมาธิสองตัวนี้แหละช่วยให้เกิดปัญญาสติตัวเดียวไม่ทำให้มีปัญญาสมาธิตัวเดียวนิ่งๆอยู่เฉยๆก็ไม่มีปัญญาก็ใช้สองตัวช่วยกันในตำราจะบอกสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิตัวนี้เป็นสัมมาสมาธิดฉะนั้นประกอบด้วยสติด้วย มีสติอัตโนมัติประกอบอยู่ดังั้นถ้าแยกองค์ธรรมออกไปนะมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่นจิตมีสมสาธิก็จะเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมาเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเห็นรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ ตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วมันไม่มีเรียกว่าอานิจจังตรงที่เห็นว่าของที่กาลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าเห็นทุกขังเห็นว่าของจะมีหรือของจะไม่มีไม่ใช่เราสั่งได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่เรียกว่าอนัตตาการที่เราคอยเห็นกายเห็นใจแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นน้านใดอันหนึ่งก็พอไม่ตาเป็นต้องเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอะไรจังอย่างเดียวก็ได้เห็นทุกขังอย่างเดียวก็ได้เห็นอนัตตาอย่างเดียวก็ได้เห็นแล้วทำอะไรเห็นแล้วมันจะเบื่อเห็นแล้วมันไม่เห็นมีของดีของวิเศษเลยในร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยมอย่างนี้ก็เบื่อในร่างกายมีแต่ความทุกข์เห็นอย่างนี้ก็เบื่อในร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเห็นแค่นี้ก็เบื่อพอเบื่อหนายก็คลายความยึดถือคลายกำหนัดก็จิตจะหลุดพ้นจากความยึดถือในกายนะ ดูจิตใจก็ดูตามความเป็นจริงไปแห็นจิตใจมันไม่เที่ยงก็น่าเบื่อโอ้ความสุขมันก็ไม่เที่ยงนะอะไรๆมันก็ดูไม่เที่ยงมันมาแล้วมันก็ไปหมดซ้สำซากวนเวียนอยู่แค่นี้เองตลอดชีวิตเหรอเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปนะใจก็เบื่อไปเองเห็นในจิตนี้มีแต่ความทุกข์นะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาต้องทํางานหนักตลอดเวลาจิตนี้ทํางานหนักตลอดเวลาเลยนะ เราเห็นเข้าไปเราว่มีแต่ทุกข์นะมันก็เบื่อเลยเห็นในจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้สัอย่างมันไม่อยู่ในอำนาจเราเลยเหมือนบางคนมีลูกนะลูกมันดื้อมากเลยในสุอทนไม่ไหวต้องปล่อยคนโบราณเขามีคําอยู่ชุดหนึ่งนะก็มีคําว่าลูกมีคําว่าลากแล้วมีคําว่าเลิกเข้าสอนกันนะมีลูกนะแต่มาลูกมันไม่ค่อยเชื่อนะคอยลากมันคอยจูงมันลากไม่ไหวต้องเลิก ต้องปล่อยมันจิตนี้ก็เหมือนกันดูไปดูไปบังคับไม่ได้สักอย่างสุดท้ายก็ต้องปล่อยมันเห็นเป็นอนัตตาก็ปล่อยนั้นเราเห็นกายเห็นใจนะเห็นเป็นอนิจจังก็ปล่อยได้เห็นเป็นทุกขังก็ปล่อยได้เห็นเป็นอนัตตาก็ปล่อยได้อันใด้นหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างเนี่ยเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้มักน้อยสันโดษ ไม่คลุกคลีประลบความเพียนจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเจ็ดประการถ้าเราเดินอยู่ในธรรมเจ็ดประการนี้เราจะเข้าสู่ธรรมประการที่แปดไม่เนิ่นช้าหรือถ้าเราไม่ได้เดินอยู่ในธรรมเจ็ดประการนี้ก็เนิ่นช้าแหละจะบอกธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีพูดไม่ได้นะถ้าเราทําไม่สมควรเท่านั้นเองสำรวจตัวเราสิมีไหม วันหนึ่งเราจเจริญปัญญามากหรือจเจริญโมหะมากปัญญากับโมหะเป็นสิ่งตรงข้ามกันอะไรจะเจริญอะไรเยอะเลยหลงทั้งวันไหม <c oughs> หรื อ, ห ร, อหรือว่าเห็นรูปนามทำงานแยกออกไปขันแยกออกไปขันแสดงใตรักษทั้งวันนานๆเห็นทีเป็มากหลงทั้งวันนะแล้วพยายามดูเรื่อยๆนะรู้สึกตัวขึ้นมา วันหนึ่งวันหนึ่งใจตั้งมั่นเยอะไหมหรือใจไหลไปเยอะเยอะนับชั่วโมงเฉยเฉยไม่ได้นับชั่วโมงแล้วใจไม่ตั้งมั่นเลยไหลตลอดเลยบอกเจ็ดปีแล้วทําไมไม่ได้เจ็ดร้อยปีก็ไม่ได้ <c oughs> ธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะของคนที่เห็นทุกข์ <c oughs> เห็นโทษของสังสารวัฏเห็นโลกเนะื้อหาสาระแก่นสารหารที่พึ่งไม่ได้ความสุขในโลก เรามีสติปัญญาเราเห็นความสุขในโลกเป็นจอมปลอมความสุขในโลกจะดีไรนักหนาไม่นานเราก็แก่ไม่นานเราก็เจ็บไม่นานเราก็ตายในชีวิตเราเต็มไปด้วยความพลัดพรากจากสิ่งที่รักในชีวิตเราเต็มไปด้วยการประสบกับสิ่งที่ไม่รักในชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่สมหวังเราหวังตลอดเวลานะหวังเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเลยหวังลมมแรงๆ ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยนะก็จะขยันภาวนามาฝึกษาธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรสังสาวรวัตมันน่ากลัวมากนะมันน่ากลัวตรงที่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนะถ้าทุกข์มันเที่ยงให้ดูนะมันเข็ดไปเองนะนี่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงรู้สึกไหมทุกข์ไม่เที่ยงเวลาที่เราเผชิญปัญหาร้ายแรงในชีวิตนะ เราลุ้นไหมว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปทนทนไปนะทนทนไปเดี๋ยวมันก็ไปนะเสร็จแล้วทุกมันไม่เที่ยงนะมันก็หายไปแต่ก่อนที่ทุกตัวหนึ่งจะหายไปทุกตัวใหม่มารอแล้วรู้สึกไหมใครเคยรู้สึกนี้บ้างเรื่องหนึ่งยังไม่ทันจบดีนะเราลุ้นว่าเรื่องนี้จบแล้วเราจะมีความสุขอ่ะเรื่องนี้ยังไม่จบดีเลยเรื่องใหม่มารออยู่อีกแ ล, แล้วเราก็หวังอีกเรื่องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องไปได้อีกนะอดทนเอา สุดท้ายก็ทนอยู่กับโลกที่เป็นทุกข์เลยเพราะว่าทุกข์มันไม่เที่ยงนล้วมันหลอกให้เราหวังไปเรื่อยๆหวังลมๆแลรงๆว่าวันหนึ่งมันจะหมดนะ่ะวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ไร้ปัญหาไร้ความทุกข์รู้สึกบ้างไห ม, ไหมอย่างนี้ <c ười> เวลามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะพยายามแก้มันแก้แก้แก้ไปพอหมดไปแล้วหวังว่าจะมีความสุขเปล่าตัวใหม่มารอละใครเคยอ่านเพชรพระอุมามั้เนี่ย ไอเสือตัวนี้มาอาราวาสเสือยังไม่ทันตายเลยช้างมาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะไล่ปราบช้างช้างยังไม่ทันตายผีก็สือมาเอ๊ะผีอะไรผีอะไรกันผีขโมดเออผีขโมดตายนะยังฆ่าช้างไม่ได้เลยมเจอควายป่าอีกแล้วพยายามเนี่ยดิ้นรนอย่างเงี้มันหลอกอย่างนี้นะสังสวัตมันหลอกอย่างนี้จริงอ เราก็ดิน้นดินดินพล่านพล่านไปเราหวังว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วชีวิตจะมีความสุขถาวรแล้วล่ะยังไม่ทันจะสุขเลยแล้วทุกตัวใหม่มารอละคนมีสติมีปัญญาก็เห็นเลยโลกนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้นะทางที่พระเจ้าท่านดําเนินน่าจะดีต้อใช่คําว่าน่าจะดีเราไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดีต้องลองเดินดูก่อนถ้าลองเดินดูแล้วถึงจะรู้ว่าดีจริงๆนะ ทางนี้ทางที่สะอาดหมดจดไม่ใช่ทางที่พอกพูนกิเลสทางนี้ยิ่งเดินยิ่งโปร่งยิ่งโล่งยิ่งเบาไม่ใช่ยิ่งเดินไปยิ่งมืดยิ่งทึบไปด้วยมีแต่ยิ่งสว่างยิ่งโปร่งโล่งขึ้นไปเรยไม่ใช่มืดมืดไปเรยเดินนั้นมันมีความรู้สึกเบื้องต้นเหมือนเดินอยู่ในป่ารกๆมีแต่หนามขยับซ้ายก็หนามขยับขวาก็หนามเดินไปนั้นก็ค่อยโล่งขึ้นโล่งขึ้นนะ คาอยสบายขึ้นกลายเป็นสวนดอกไม้สวยงามไปพวกเดินมาถึงสวนดอกไม้ล้วติดอยู่ที่สวนดอกไม้ติดสมาธิติดสมาธิไปไหนไม่รอดใจเด็ดเด็อน่าปล่อยเอาอะไรกับความสุขแค่สมาธิความสุขจากความสงบของจิตชั่วครั้งชั่วคราวเอาทำไมของชั่วคราวของถาวรนนะั้นมีอยู่ ของทาวรเนีเป็นของที่พ้นไปจากรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ตัวรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่ยังไม่ทาวรหรอกครฝึกหนะ้าภาวนาไปสํารวจตัวเองเรามีธรรมะอะไรที่ทําให้เนิ่นช้าอยู่บ้างนะขจัดทิ้งซะเรามากักมากหรือเรามักน้อยเราสันโดษหรือเราไม่สันโดษเราชอบคลุกคลีหรือเราชอบวิเวกพระเจ้าสรรเสริญความวิเวกนีชสรรเสริญความคลุกคลี เราปลารลบความเพียรหรือเราประมาทเรามีสติหรือเราไม่มีสติไม่ยอมเจริญสติรู้ ก, กายรู้ใจเลยวันวึไม่อยากรู้กายไม่อยากรู้ใจอยากเผลอๆ เ, เรามีความตั้งมั่นของจิตไหมใจิตเราไหลตลอดเวลาหลงเพลิ น, ลนไปทั้งวันเรามีปัญญาไหมเห็นรูปเห็นนามมันทํางานไม่เห็นกายมันแยกออกไปจิตเป็นคนดูเห็นเวทนามันแยกออกไปจิตเป็นคนดูเห็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วแยกไปจิตเป็นคนดู เห็นจิตเกิดดับทางถาวรทั้งหกเราเคยเห็นบ้างไหมถ้าเคยเห็นแล้ว เ, เห็นเนืองๆนะมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกถ้าไม่เคยเห็นก็ยังไกลอย่างมรรคผลนิพพานสำรวจตัวเองนะอย่าสำรวจดูซื่อสัตว์ต่อตัวเองอย่าใช้สำนวนแบบคนจีนสำนวนกำลังภายในปิดทองใส่หน้าตัวเองลอกเลยลอกหน้ากากตัวเองเอามาดูนะแต่ไม่ได้ให้ทาชั่วนะ ถึงรู้จริงๆเลยธาตุแท้ของเราจริงๆเป็นไงดูของจริงเลยกระทั่งความชั่วในใจเราเรายังไม่กล้าดูเลยจะไปสู้มันได้ไงกล้าหานนะนี่เป็นเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านพาเดินมาเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราก็เดินในเส้นทางตามของท่านไป หลวพ่อดูๆพวกเรานะบางคนอะไรก็ดีนะมางคนชอบคลุกคลีแะ ม, มีจุดอ่อนชอบคลุกคลีวันหนึ่งเฮเฮฮาฮสนุกมากเลยไปโน่นจับพลังจับคนเดียวมั่งจับเป็นกลุ่มมั่งไปดูตรงนี้แผ่นดินนี้เคยอยู่แล้วลึกได้วันนั้นเป็นผัวคนนี้เป็นเมียนี้เป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยชาติเดียวกันนับญาติไม่ท้วนแล้วเนะี่ยนับญาติหลายชาติ มันทำให้ัวพรรเนิรนช้าหนักเขาอีกนะบางคนก็ทําแต่สมาธิสงบลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ค่อยมยีที่ติดสมาธิทนหลวงพ่อไม่ได้แล้วหลวงพ่อก็ทนลูกศิษย์ติดสมาธิไม่ค่อยได้เหมือนกันแหละ <c oughs> เจอที่ไรจวกลูกจีในส่วนถ้าเขาไม่หลุดนะไม่แก้นะเขาก็ต้องไปอยู่ที่อื่นอยู่กับเราไม่ได้เราธรรมะที่ไม่เนิรนช้าไม่ใช่สอนธรรมะที่เนิรนช้านะทาบุญไปเรื่อย อีกหลายหลายชายก็บรรู้เองอพูดหลอกเด็กบรรู้ได้ฟลุกฟลุกไม่มีหรอกตองสู้เอาท้งนั้นแหละอะ่ไปทานข้าวไปนีมหมดเลยครับ